แนะนำบทอัลฟีลบทอัลฟีลเป็นบทมักกียะห์มี 5 องก์การที่กล่าวถึงเรื่องเจ้าของช้างขณะที่พวกเขามุ่งไปเพื่อทําลายอัลกะบะห์ดังนั้นอัลเลาะห์จึงตอบโต้แผนการของพวกเขาด้วยการสังหารพวกเขาอย่างราบคราบและทรงคุ้มครองบ้านของพระองค์จากการเข้ายึดครองและการล่วงละเมิด แล้วทรงให้ไพร่พลมาทำลายกองทัพของอับรอฮะห์อัลอัชรอมเป็น 2 เท่าทวีคูณคือนกที่หอบก้อนหินก้อนเล็กๆอยู่ที่ขาและจะงอยปากของมันแต่ถ้าว่ามันสามารถทำลายและฆ่ายิ่งกว่ากระสุนทำลายซะอีกจนกระทั่งอัลเลาะห์ทรงทำลายล้างพวกเขาจนหมดสิ้นและนั่นคือเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญในปีเกิดของมุฮัมมัด इब्न अब्दुल्लाह คือในปีคริสต์ศักราชที่ ด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออะลัมตะรกะยฟะฟะอะละร็อบบุกะบิอัศฮาบิลฟีลอะลัมยะญะอัลกัยดะฮุมฟีตะฎลีลเจ้าเห็นดอกหรือว่าพระผู้อภิบาลของเจ้าได้กระทํากับพวกเจ้าของช้างอย่างไร พระองค์มิได้ทรงทําให้แผนการของพวกเขาสูญสิ้นดอกหรือว่าอรสล علیฮิม طيرا ابابيل تطميح بحجاره من سجيل และพระองค์ทรงส่งนกเป็นฝูงๆลงมาบนพวกเขามันได้ขว้างพวกเขาด้วยหินที่ทําด้วยดินแข็ง فجعلهم كعصف مأكول และพระองค์ทรงทําให้พวกเขา เป็นดั่งเช่นใบไม้ที่ถูกกัดกิน